ถ้าธรรมเทศนาของท่านลงนานรงศักคีนานโยต่ออย่าเอาตัวเราไปปล่อยวางแต่จงปล่อยวางตัวเรา ฟังมาที่ปฏิบัติกันมาให้เต็มเลยสิุกทั้งหมดจริงๆนะคน จ, คนค ร, าจาริงพระธเจ้าสอนที่แน่ว่าละเอียดทั้งหมดน่าจะยังไม่มีเวลาเวลาได้พอที่จะที่จะที่แนะที่จะทําความเกษรได้ทั้งหมดถ้ามันมีเวลามากาจริงๆจริงๆนะเวลาเสียเสียกรจะ จ, ะจยายกันไปทั้งหมดทีนั้นคือมนไปเสียงอ่ะ กับพฤติกรรมไปเสียกับการที่มันไปเสียกับอะไรนะอย่างอื่นหมืแทนที่จะไปเข้าสู่ความพ้นทุกข์เข้าสู่หลักธรรมตั้งแต่จริงๆเป็นเรื่องแตกพฤติกรรมเป็นเรื่องแตกเรื่องความรู้เรื่องอะไรเป็ น, รนเรื่องอะไรพี่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลเวลามันมีหลายวัน จ, จริงแต่กลับมันไม่ไม่มีหลายวันเวลาที่จะทำควา ม, วามเข้าใจจริงๆมันกลับไม่มี มันเป็นมีเรื่องพราะวิธามเป็นมีเรื่องนี่จีกันที่อาการของจิตมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจทั้งระบบว่าระบบพระเจ้าสอนอะไรถูกไห่ไเป็นยัไงมันไม่เข้าใจทั้งระบบคือที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไช่ใช่หรได้เครื่องอะไ ไอ้เครื่องนำทางเครื่อง GPS เอ๋ที่มันนำทางที่ไม่ถูกต้องงั้นพอเราได้เครื่อง GPS ไอ้เครื่องนำทางเอาเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องเราไปเลือกเอาเครื่องที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยนำทางเราสเปะสระปากไปหมดเลยแล้วเราก็รู้ตรงนั้นหน่อยรู้ตรงนี้หน่อยไม่รู้ตรงโน้นรู้ตรงนี้ไม่รู้ปลายทางนี้เราก็เดินหลงทางวนอยู่เท่านั้นเราตายจปนรู้ขีปภีชาติมาในชาตินี้จะดำมือแบสั้นมาก เวลาเราอายุมันสั้นมากจะกะมากเพราะว่าเราตายแล้วโอกาสจะกลับไปเป็นคนมันไม่ีแต่เราก็เลือกเครื่อง GPS ที่เราฟังมาแล้วเราก็มาันจะทิศจีบไวในใจขวางเวลามันหลายวันนี่ยมันยิ่งเนี่ยมันเป็นหลายวันมากมาหลายวันมากแต่เนี่ยในที่จีบมาหน่าที่ไปฟังน้งเป็กนที่บัตรมาติดที่อยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ล้างออกมันตั้มเอาไว้เราค็รู้จะสอนยังไงรู้จะพูดยังไง เราก็เลยหมดมนทางสอนจะเลยปล่อยให้ปฏ really you know, mm ิบ hmm. ัติกันไปกันคือเราก็มาพูดพูดเราก็รู้ว่าหักได้ไม่หมดนะล้างไอ้ล้างที่ผีมานะล้างความรู้ความเห็นอีกคร้างมัได้ใจเนี่ยเราก็รู้ว่าเราพูดยังไงอ่ะเราพูดค้างมันร้อยเปอร์เซ็นมันล้างได้แค่ห้าเปรเ็นสิปอร์เซนเาเอาไอ้เอาของเดิมตัวเองมาไว้เ้วของเราไปใส่ได้หน่อยวันคือก็มาเอาของเดิมตัวเองทำไม่ออกเอาของเราไปใส่หน่อยเนื้อใส่ของเราก็กลายเป็นละลายหายไปในของของตัวเอง เรารู้อยู่เห็นอยู่แบบเนี้ยเราสอนเนี้ยแต่เราก็หมดหนทางเราก็อดทนดรกเตอร์ตอเห็นเนีก็บอกหัวอาจารย์หนักมากเล่นหนอยมากเท่านี้เพราะทิฏฐิความรู่งคาเห็นมันมากจีิงๆยากที่จะหักโค้นลงได้เราเลยขึ้นไม่สามารถที่จะสอนไปที่แนวทางของพุทธเจ้าได้โอทิฏฐิการไปไล่ดูอาการของจิตมันผิดทั้งหมดเนี่ย แล้วปู่เทพก็เขียนว่าการไล่ดูอาการของจิตการรู้ท่าทันการรู้แจ้งมันคนละอันกันคนละเรื่องคนละราวอะไยนแต่เราอย่งไปดูไล่ไล่ดูอาการของจิตแต่เราไม่ได้ไปดูว่ามันเราไม่ดูของผู้ที่ไปไล่ดูเราไม่ได้ปล่อยวางผูไล่ดูเราเอาตัวเราไปปล่อยวางแต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราเราเห็นแล้วปฏิบัติกันอย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้จะทําอย่างไรคือเราตัวเราไปพยายามปล่อยวางทุกอย่างแต่เราไม่ปล่อยวางตัวเรา มันต้องกันข้ามของคำสอนพระเจ้าเราออตัวเราไปไล่ปล่อยอาการตัวเราไปไล่รูอาการเพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยไปเกิดอะไรเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้อะไรแต่คําสอนพระเจ้าคือไม่มีตัวเราที่จะได้อะไรแล้วเราเห็นอย่างนี้เราจะสอนอยังไงโอ้โหลมาดูแล้วดูดูดดแล้วเรามันงง ม, มาพกพกระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีตัวเราที่จะได้อะไรแต่และท่านปรากฏว่ามัน มันปฏิบัติเพื่อจะเอาตัวเราได้อะไรเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปดูเอาตัวเราไปเห็นแล้วตัวเราจะได้อะไรแม้จะมีตัวเราไปได้ผลิภานมันก็ยังมีตัวเราจะไปได้แต่คําสองพูดเจ้าคือให้เข้าใจว่าไม่มีตัวเราจะไปได้อะไรมันเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเรานี่มันตกกระพ้ามเลยปฏิบัติ เอาตัวเราไปปล่อยวางทุงกอย่างเอาตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นเป็นไล่รู้อาการเอาไปรู้แจ้งเอาไปรู้พิทามรู้มากขึ้นไปรู้มากขึ้นไปเห็นมากขึ้นไปแต่มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราจี่มัมีตัวเรามันเลยกลายเปนะ็นเอาตัวเราไปปล่อยวางแต่ให้ปล่อยวางตัวเราเราเียทุกข์ยากลำบากมากเลยเมื่อเราไม่เข้าใจตรง น, นี้ซะแล้วเนี่ยพอเริ่มเพ่มต้องไม่เข้าใจซะแล้วเนี่ยการปฏิบัตบิมันก็ไปดูเป้าหมายที่ผิดมันเหมือนกับพวกฝรั่งที่ ชาวต่งางชาติที่มาศึกษากับเราอ่ะระบบของคนหลังเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเ้าจะต้องประเมินผลว่ามันจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนนเนี่ยอยู่ต่างประเทศมานานเขาจะต้องมีการกระเสริฐประเมินผลว่าถ้าลงมือจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิง่งนี้จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าไหมที่จะทําพอเข้ามาศึกประเทศไทยมาถามเราอาจารย์ถ้ามาปฏิบัติกับอาจารย์เนี่ยผมจะได้อะไรเออ มาปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีผู้ได้ก็คิดว่าจะมาได้อะไรกับประเทศอยู่ไปเลยเพราะว่ามาปฏิบัติเพื่อให้สิ้นผู้ได้ไม่มีผู้จะได้น่ะเพื่อให้มันเข้าใจเชิงใหม่ว่าผู้ได้นีเมื่อไม่มีผู้ได้เราก็ทําอะไรได้เต็มที่เลยร้อยเปอรเซ็นตลอดเวลาเราก็จะไม่มีผู้ทุกข์เลยเพราะว่าเราทําทุกอย่างโดยไม่มีตัวเราเอเราคิดว่าตัวเราจะได้อะเมื่อเราไม่คิดว่าตัวเราจะได้อะไรก็เลยไม่มีตัวเราที่ต้องเสียอะไร คือเราคิดว่าเราตัวเราจะได้อะไรเราปฏิบตัติเโื่อไม่ได้อย่างใจมันจะขับแควนใจขับห้องใจอยู่แม้แต่เราหวังว่าจะให้ลูกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พราะลูกไม่ได้อย่างใจมันมีได้ไม่ได้อย่างใจพอปฏิบัติทำก็ไม่ได้อย่างใจเพราะมีลูกเลี้ยงลูกไม่ได้อย่างใจเพราะมีสามีมีภรรยาไม่ได้อย่างใจมันมีผู้ได้มันมีที่ทุกข์มันที่ทุกข์เพราะที่ทุกขจะได้ เมื่อมันเริ่มต้นที่ผิดไม่เข้าใจคํำตอบพระเจ้าคือต้องการให้พระเจ้าต้องการให้ไม่มีผู้ใด้ไม่มีผู้เป็นตัวตนไม่มีที่สุดนั้นคือมีแต่ธาตุที่มารวมกันดินน้ําลงไปแล้วก็เป็นธาตุว่างเปล่าทุกอย่างธาตุมารวมกันห้าธาตุดินน้ํำลงไปแล้วธาตุที่ว่างเปล่าและจิตการหน้ามีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึ้นมาแล้วก็แตกหดับไปที่จิตใจจะเป็นธาตุดำเลยแล้วก็ธาตุจะมารวมกันไหม่วเราไม่มีมันไม่ได้เริ่มต้นตัวนี้ก่อนจะไม่ได้เริ่มต้นที่ตัว ที่ความเข้าใจตรงนี้ถ้าก่อนที่ถูกต้องในเรื่องของธาตุที่มันรวมตัวกันตัวส่วนหนึ่งมันก็เริ่มต้นที่เ อ, เ, อเอาเอาตัวเราไปเพง่งของเพ่งเขา้าดูเขา้าตูเขา้าไปเอาวางเขา้าหรือว่าไปตัวเราให้เป็นยุน่ตัวเราไปจะต้องให้เกิดความรู้สึกที่มันโปโลงเบาสบายให้ต้องให้มันให้มันเป็นอย่างนู้นใมันเป็นอย่างนี้พรากฏว้าที่ปฏิบัติทั้งหมดแล้วนั่นคือจะปฏิบัติให้มันได้ให้ไปรู้ไปเห็นไปสวรรค์ จะไปสวรรค์ให้ปป เ, ห เ, เป็นรู้เป็เห็นเทพเปโดาเห็นสวรรค์ให้มีตาทิ่ยูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตเริ่องชาติได้แสดงอิจิลิศได้มีชามีอิจิริศอภิญญาต่า ง, างาอิจิิศต่างใจโอ้มันจะเอาทําอะไรมีแต่ผู้จะได้มันผิดทางหลักคําคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนเราไม่มีผู้จะได้ไม่มีตัวเราถ้ามีตัวเราผู้จะได้มันก็ต้องมีความรู้สึกเสียนจนถึงทุกขนันธ์เพราะมันไม่ได้อย่างใจ พอปฏิบัติธรรมไม่ได้อย่างใจมันขัดแทนใหญ่มันก็เลยเป็นทุกข์เลี้ยงลูกไม่ได้อย่างใจลูกไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์สามีไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์ภรรยาไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์พอทํางานเจ้านายไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์ลูกน้องไม่ไ ด, ไ, มม ás, มได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์ผลงานไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นทุกข์เอ้เป็นทุกข์มันไม่ได้อย่างใจทั้งหมดเพราะอะไรมันจะเอามันมีพูดได้มีตัวเราพูดจะได้ แต่ถ้าเราไม่มีอุดมเพื่อเาจะได้ทํางานแบบวันเวรคือไม่มีสิ่งที่ไม่มีตัวเราที่จะได้มันก็เลยทําแบบร้อยเปอนทั้งวันทั้งคืนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนเราสอนที่ข้ามวันข้ามคืนวันนี้บอกเราสอนอยังไงทีข้ามวันข้ามคืนเราสอนบังทีเราสอนตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์เราไม่คิเราไม่ได้นอนหลับเลยไม่เคยเข้าไปนอนเลยแล้วไม่ได้นั่งหลับแม้แต่ยี่สิบเดียวสอนตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เรานั่งสอนเนี่ย เราไม่ได้เข้าไปนอนเลยแล้วไม่เคยนั่งหลับให้ลูกติดเห็นไม่ไดไม่ได้นั่งหลับสงบให้ลูกติดเห็นไม่ได้วุ่เดียวเลยเพราะเราให้แบบฟัน เ, เรนแล้วมันมีสิ่งตอบแทนอะไรไม่ได้วางสิงตอบแทนไม่คิดว่าเราจะได้อะไรเราจะเอาอะไรเราปฏิบัติทําก็ปฏิบัติเพื่อให้ไม่มีตัวเราได้ตัวเราจะเอาตัวเราไปเป็นอะไรแล้วถ้ามันไม่ได้ ขับแขนเพราะปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นสมาธิมันทำไมไม่เป็นสมาธินี่มันมันทํำไมไม่เป็นนะสิเราจะไปเอาสมาธิมันก็เลยพอไม่เป็นสมาธิขับแขนใจยอยู่นั่นแหละขับแขนใจมันไม่เป็นสมาธิสักีมันทำไมอย่างนี้ก็เราจะเอามาพอมันสิ้นผู้จะเอากันนั่นแหละทํำอะไรก็ทำไปเถอะมันไม่มีทุกข์เลยเพราะมันไม่ไม่มีที่สจะเสียเมื่อไม่มีผู้จะเอามันก็ไม่มีความไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจมันก็ไม่มี มันก็เลยมีแต่ความสุขมันเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้เส้ก่อนแล้วเราจะทําทุกอย่างมีประสิทธิภาพเต็มวอตเปอร์เซนต์ทำอะไรก็จะโอ้โหประสบผลสำเร็จเพราะอะไรมันทําพราอยากจะทำเอย่างน่แน่แต่ไม่ได้็นว่าทํำก็อยากจะเอาแต่ทําำก็อยากจะทําอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะทํา อยากจะทำมาหากินอยากจะนู้อยากจะนี่อยากจะขยันอ่านหนังสืออยากจะหาความรู้อยากจะหาความอใจนั่งอ่านหนังสือทั้งวันอินเทอร์เน็ตต้องมีให้คนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแตกฉานกายเป็นคนหูเฉลียวชาทั้งโลกทั้งทำการทคนแตกฉานเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตโอ้โหเราอยากจะมีเวลาว่างอ่านมันไม่รู้เราอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดนั้นในโลกนี้มันมีเรื่องมากมายอยากมันมันดิอ่านมันมันเองไม้ใช่ว่าจะไปเอาเราไรยมันเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าสนใจน่าทําความเข้าใจ ทั้เรื่องโอสารพัดที่จเรียนรู้เรียนรู้ไปอย่างนั้นแหกมันอมีอะไรหรือคือมันมันดินแต่ไม่คิดว่าจะเอาอะไรโอโดนเอาไม่ใช่เหยียดใจไม่ได้เยียดใจไม่ได้เยียดใจเพราะมีผู้เอาก็ก็ไม่ได้เหมือนกเนี่ยพอเรามเข้าใจอย่างนี้ต้งแต่ช้นตรงไปเนี่ยมันก็ง่ายในการปฏิบัติทำงมายขึ้นเพราะว่าเมื่อไม่มีผู้เอาแล้วเออเด็กเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้เลยจะทำประมาณที่กะทำเด็กทําสติกานอะไรผู้ใหญ่ทำนี้อภิญญาผู้ทําเลย ผมว่ามันทําได้หมดนะแต่มไม่พิจับเอาอะไรเลยแต่ทําแล้วมันเกิดขึ้นเองมันเป็นผลเองเพราะทำเหตุนแต่นี้ผลยิ่เกิดทาเหตุแต่ น, นี้ผลยคิ่งเกิดกูอยากได้รูอ้อภิญญาคุณก็ทำสมาธิราทําฌานเข้าุูก็ได้แล้วตาพิภูที่เพื่อนีรู้นาโกและลึกชาติได้รู้วาระจิตอื่นได้มันง่ายมันพิชวากมือแต่มันยากตัวที่คุณจะเอาเนี่ยนะมันเลยไม่ได้อะไรเลยเพราะไอ้ตันี้มันตัวขวางทุกเรื่องคูจะเอากูจะเอาเองพระลังมาหาเรา ถ้าปฏิบัติเราจะได้นะเออเองกับประเทศอยู่กับประเทศของอยู่ไปเลยโพภาะไม่มีปฏิบัติเพื่อนที่ผู้จะเอาพอคิดจะปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติเราจะได้นะจะเอาอะไรจะมาปฏิบัติเออไม่ยอมเลยไม่ยอมมาเ น, นั้นบางคนไปหาพ่อแม่ครูาอาจารย์บอกว่าเชิญสอนได้หน่อยทำไงก็ได้โสดาบานัทานทำยังไงได้อ า, าราธนะได้นิพพานไ ล, ไล่กลับไปเลยกลับไปเลยกันเลยจะบ้าง ยิ่งอยากได้มากยิ่งอยากเอามากดูบ้าบ้าเลยไอ้ที่มันบ้าเพราะว่ามันปฏิบัติแล้วอยากได้อยากได้ลึกอภินญาอยากได้ตาพิภูพิรุวดีลู่อนาคดลุจ่าได้แสดงอินทริษหายตัวดำดินออกเอือนเดินอากาศได้อยากอยากไปเที่ยวสวรรค์ไปนรกอยากเก่งกว่าคนอื่นเป็นบ้าเลยเยอะแยะเลยเราเห็นปฏิบัติอยากได้โสดาบันมากสกัดาคามเียนาคามอยากได้อลาห์มากเป็นบ้าเลยกระโดดก้งแพงเลย อาผ้าเหลืองเป็นหมกอยู่ในถังขยะแล้วไปซื้อเกงๆนุ่งไปแล้วไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้ไปซื้อถุงเแล้วก็หนุ่ข้ามกระแพ้ไปแล้วอาผ้าเหลืองไปยัดเส็ถังขยะไปขอเงินโยมเขาซื้อเพื้อเเกงใส่แทนบ้าไปแล้วเพราะอะไรอยากได้เป็นแถวเป็นแนวเลยปฏิบัติเป็นบ้าเป็นหลังกันเป็นแถวมันความอยากนี่เนี่ยมันตัวเป็นตัวมีตัวเราเนี่ยมีความอยาก ได้ไอ้ตัวที่เป็นอุปสรรคของทุกเรื่องเลยในการสอนธรรมก็เป็นอุปสรรคเพราะอะไรความอยากเราเห็นแล้วเราเห็นนึงเราหมาดแต่วันแรกความอยากในใจมันไม่ที่สอนกันไม่ได้คมันไม่ได้พูดกันตรงนี้ตั้งแต่แรกมันมีแต่ปฏิบัติเพื่อให้ลู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้เพื่อให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้เอามันก็มีแตได้ว่างได้แต่จุว่างจะเป็นโซดาจกระทามีได้อรหันได้ว่าง มันได้ใ้ตัวเราจะได้มันไม่ได้พูดแบบตรงนี้ก่อนเริ่มต้นอ่ะแล้วตอนนี้มันหลากหลายหลากหลายของผู้สอผู้ไปปฏิบัติหลายที่หลายทางมาเราเห็นแล้วเราสอนเราพูดไปที่จีันตั้งขวางเราอย่างเงี่ยมันตั้งกําแพงไว้อย่างเงี้ยเราพยายามแทรกพยายามพูดยังไงมันก็ทําลายที่จีไม่ได้ตักตั้งขวางเป็นกําแพงไว้งเงี้ยมันยากมากเลยด็เรามาราพิสเรายากมากจริงๆหนักมากจริง เมื่อเราไม่หวังเราเราจะเอาผลอะไรแก็เราก็มีการที่จะมาเข้าเข้าใจเข้าเปไงเข้าไปเข้าไปเเราต้องมีหน้าที่สอนถึงเวลาเราหมดเวลาเราก็ไปเราชี้เป็นเพียงแค่ผู้ชี้ที่เหตุและผลเท่านั้นเองส่วนเขาจะเอาไม่เอาที่เรื่องของเขาเราที่เหตุและผลว่าเหตุอย่างนี้นําไปสู่ความทุกข์เหตุอย่างนี้นําไปสู่ความเสื่อมเหตุอย่างนี้นําไปสู่ความพ้นทุกข์เหตุอย่างนี้นําไปสู่ความเจริญเราเนี่ยมีหน้าที่ที่เหตุและผลเหมือนกับพระเจ้าว่า เราเนี่ยปิดเสียงแค่คุณยืนอยู่บนทางหลายแยงยืนตรงกลางเหมือตรงกลางวงแหวนเป็นกลางวงเวียนเนี่ยเราเึมืกับยืนอยู่ตรงวงเวียนที่รถมันเข้าออกหลายแยกแล้วผู้ที่ขับรถมาหรือเดินทางมาก็มาถามเราว่าแยกนี้จะไปทางไหนแยกนี้จะไปทางไหนแยกนี้จะไปทางไหนพุพระเจ้าบอกคุณแก่ก็ทาเหตุอย่างนี้ถ้าคุณทาเหตุอย่างนี้คุณก็จะไปนรกชั้นต่ําอย่างนี้คุณทําเหตุอย่างนี้ก็จะไปนรกชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้พูดละเอียดมากเลยอ่ะ ถ้าคุณไปแยกนี้คุณไปทาเหตอย่างนี้คุณไปแยกนี้กูก็จะไปสวรรค์ชั้นต่ําอย่างนี้ไปเทวโลกหชั้นเทวโลกชั้นต่ํำทำอย่างนี้เทวโลกชั้นที่สองชั้นที่สามทำนี้พราะทำเหตอย่างนี้บอกทุกชั้นเลยว่าทำเหตุอย่างไรจะไปสวรรค์เทวโลกเทวโลกแต่ละแต่ละชั้นละชั้นทำเหตุอย่างนี้จะไปสวรรค์อย่างนี้เนีคุณจะไปนีกไปแยกนี่ไปแยกนี้ถ้าคุณอยากจะไปเทวโลกไปสวรรค์ชั้นนี้คุก็ไปดาวดึงไปไปอวิวซีไปอะไรก็คุณจะไปไหนก็ไปเลยอยากไปก็ไปแล้วคุณทำเ้กหตุ พุณเจ้าไม่เคยผิดเลยตอบไม่เคยิดถ้าคุณอยากจะไปสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นนี้คุณทําเอย่างนี้ี่คุณจะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ทำให้แน่แน่เลยแล้วคุณจะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้คุณอยากจะไปนรกกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนีุ้มนี้คุณทำผเดอย่างนี้แล้วคุณก็จะไปนรกกลุ่มนี้กลุ่มนี้เอาเวทีโลกันต์จกนรกอะไรก็ไปเลยไปไปไุณเจ้าไม่มีสิดาคุณอยากไปเป็นเป็นเปรตเถอะพวกเปรต คุณจะเป็นสีหร kind of ือเปตเาไ่ากูก็ทาเหตอย่างี้ที่ทำเหตอย่างนี้นคุณก็ไปเป็นผีหรือเปรตไม่ตาคุณอยากไเป็นทารสูนือยากเป็นรกกายุก็ทำเหตอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็ไปเป็นสุรกกายคุณอยากเป็นสัตว์ในฉาญเนี่ยุก็ทำเหตอย่างี้เหตอย่างนี้เหอย่างนี้แล้วก็จะไปเป็นสัตว์ในฉาญคูไปแยกนี่เลยนะออกจากวเวียนไปแยกนี่เลยออจากวเวียนไปแยกนี่แล้วคูก็จะได้ใจมืดคุูอยากเป็นกวัตริ์เจ้าเทวโลก ลุชั้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกก็ทำเหตุอย่างนี้เหตุอย่างนี้แยกไปแยกนี้แล้วคุณก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ชั้นนี้คุณอยากจะไปสวรรค์ชั้นไหนขึ้นไปเลยออยากจะไปชั้นโคลมบโลกลูกของพมคุณทาเหตุอย่างนี้เลยคุณเข้าชาญอย่างนี้ให้ได้คิิให้ได้ถูกให้ได้อุเบกขาเข้าจนเป็นรัศีออกจนเป็นรัศมีทรงไว้จนเป็นรัศีพิจารณาในฌานจนเป็นรัศีคุณเข้าออให้เป็นรัศีเลยนะ เออเป็นร่างสีสี่ขั้นตอนเข้าไปเป็นรสีตรงมาเป็นร่างสีพิจารณาอยู่แล้เป็นรสีออกมาเป็นรสีให้เป็นรสีในลูกประชานคุณก็จะไปสู่รูกประพรมแต่ละชั้นแต่ละชั้นเพราะโครงจัลลิชั้นก็มีสีชั้นมีลูกประพรมมีตั้งแต่วิสุิวิจารณ์สี่สี่สุภูเบขาคุณก็เข้าแต่ละชั้นไปในชั้นสี่คุณก็ได้เป็นเป็นชั้นลูประพรมสี่ชั้นสี่ชั้นสูงขึ้นไปสามระดับคุณอยากเป็นลูประพรมเหรอคุณขราลูกประชานไปขั้นขึ้นต้นโดยอตตาาสนะ S <S <an> <S เหมือกับอากาศสภาพหรือว่างเปล่าคุณก็เข้าชํานานนะจะเป็นว่าสีในอากาศสวรรค์จ่ายยนชนะเข้าวสีให้จํานานในอารูปฌานคุณก็ตายแล้วก็ไปอารูปภมคุณอยากไปอารุปภมคุณแยกอยงนี้เนี่ยท่านอย่างนี้อยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะอาอคุณก็ทันอย่างนี้นี่ํ า, เ, นะาเหตุอย่างนี้ยังไม่เหยียดนี้คุณจะได้มาเป็นมนุษย์คูณก็ไปทางแยกนี้เพราะคุณอยากใชกลับมาเป็นมนุษย์คุณอยากเอาเป็นมนุษย์ที่มันจากจนคนแขนแสียาหัดตาบอดหูหลวงแขนขาขาดพิคนพิการ คุณก็ทำเหตุอย่างนี้นะคุณก็จะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ถ้าคุณทําหตุอย่างนี้คุณก็จะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้คือร่ํำรวยมีเจ้าสาวมีดาสักมีตําแหน่งร่ำยศมีข้าทาบรีวันมีอายุยืนไะม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเยนคุณทำเหตุอย่างนี้ดีเหตุอย่างนี้แล้วคุณก็จะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้คุณจะไปแยกนี่เลยไปแยกนี้ออกจากโมเดลไปแยกนี่เลยถ้าคุณทําเหตุอย่างนี้คุณจะได้พระโสดาบันทําเหตุนี้ได้สกัาคำนี้เหตุนี้ได้อนาคาบิําเหตุนี้ได้อรหันเอย่าเดี๋ยวนี้วคุณกก็ไปแยนีเลย ขาพุทเจ้ามันมีบอกติดบอกเหตุและผลชัดเจนมากและบอกแล้วก็อุเบกขาไอาที่บอกนี่คือเมตตากัลุณานะมุติตาคุ้มเทบอกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยเหนื่อยากจนกระั้งกงงงับขาดปัญญิผ่านนี่นคือเมตตาสัุนามุตาแต่ท้ายก็ต้องอุเบกขา้ือบอกแล้วไม่ได้พาประคับทุกคนเนี่ยจงเดินทางไปแยกไม่แยกเดียวแยกอื่นจงจะไปไม่ได้ประคับอย่างนั้น ว่าจงเดินทางไปในเนี่ยต่อจากโรงเวียนไปแยกนี่แยกเดียวคือพระ น, นิพานและบัคคับไปทุกคนเนี่ยทุกทา่านเนี่ยทั้งเทวดาทั้งหมดเนี่ยอย่าไปให้บอกว่าทุกคนต้องมาที่นี่นะต้องเดินทางมาแยกนี้แยกเดียวห้ามไปแยกอื่นไม่มีห้ามแยกอื่นว่าอย่าไปนะห้าม บ, บอกว่าถ้าไปเนี่ยคุณก็ต้องไปอย่างเนี้ยถ้าคุณไปทางนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าบัคคับเลยทุกคนต้องมาแยกนี้ มาแยกที่ผ่านอย่างเดียวแต่ที่ไม่มีปกปิดเลยละเอียดมากแล้วก็ถ้าบอกอย่างนี้คุณยังจะไปอูเบขาไหมอูเบขาเราที่ไม่มีความทุกข์กับใครที่เราทุ่มเททั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนต้อนสอนมนเนี่ยไม่มีหยุดสอนทัพคนละเดือนเลยก็แต่อ อ, อกภาษามาเราก็เรียนสอนไปในตู้ที่แต่ไปได้หลับได้นอน แล้วราก็อุเบกขาทุกที่ไปเราชี้ทั้งเหตุและผลเหตุและผลเหตุและผลในคําสอนของคุณเจ้าดบบ่าเจ้าสอนไงที่้ในเหตุและผลแล้วเราก็จัดไปที้ในเหตุและผ ล, ละเราก็จัดไปต แ, แ, แต่ใครจะทําหรือไม่ทําก็จะเอาหรือไม่เอานั่นเป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องอุเบกขาพราะทีเจ้าสอนให้ใเหิมตาสะลุนามุติตาเสร็จแล้ก็ต้องอุเบกขาเนี่ยที่เราพูดอย่เนี้ เพราะในวันข้างหน้ามันจะต้องมีการปฏิบัติกันอีกสถานที่ที่ดีมีอะไรพร้อมหมดหน่อยเราจะทํำยังไง ท, ที่จะบรรพตดาเปิดเผยที่ความรู้ความเห็นเข้ า, าใจที่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยต้องคุณท่านท่นหลายเพราะว่าเราเป็นเพียงผู้จอนมาแ ล, ล้วเราก็จอนไปแต่ท่านเป็นเจ้าของสถานที่นะท่านจะต้องเข้าใจที่ตัวของท่านเองระบบไหนถ้าท่านไม่เข้าใจที่ตัวของท่านเองระบบ การเรียนการสอนระบบการปฏิบัติธรรมที่มันเป็นจัดเป็นข้อเป็นปสเต็ปสเต็ปเป็นเวลาเป็นเวลามันก็ทําไปเพื่อกูจะเอามีผู้จะเอาทต้องผู้สอนและผู้ถูกสอนมันก็พากันเล็กๆไปนะเพราะฉะนั้นน่ยมันต้องเข้าสู่ระบบที่เข้าใจจริงๆช่วยกันให้ปัญญาแก่คนให้ปัญญาแก่เทศมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ช่วยอะไรช่วยให้เขาเกิดปัญญาที่เกษตรที่ถูกต้องแค่นี้ไง ไม่ว่าปัญญาด้านโลกปัญญาด้านธรรมช่วยกันหน่อยช่วยให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องว่าเขาควรจะทําตัวอย่างไรลูกเขาที่จะลูกหลานก็าจะพยามทําแบบอย่างไม่ใช่ว่าเขาก็ทําตัวอีกอย่างหนึ่งจะไปบังคับให้ลูกหลานจะดิอย่างหนึ่งเช่นว่าพ่อแม่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่บังคับให้ลูกทุกคนเข้าโรงเรียนสมาธิ เข้าวัดปฏิบัติธรรมไปบังคับจับลูกหลานไปเป็นเลนบวชคนเลยไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมสมาธิพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ปฏิบัติเลยไม่รู้ว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อได้ปัญญาคือขึ้นบูจะเอามันไม่ได้มีรู้เรื่องเลยแล้วก็ บ, บังคับให้ลูกหลานไปปฏิบัติไปเนี่ยได้ลูกหลานไม่รู้เรื่องพอใส่บาตรอะไรก็พ่อแม่ก็ไม่ไม่กราบพระบังคับให้ลูกมึงกราบที่มึงกราบที่นิษณสถนนเนี่ยแล้วเด็กมันจะไปกราบยังไงมึงก็ทําไม่เส็จ พ่อแม่ก็ไม่เคยทําให้ดู่เราเห็นนะพ่อแม่ไม่เคยทําให้ดูจรเด็กมันเดินมาเด็กวัยรุ่นน่ะมันเข้ามากราบพ่อแม่ครูอาจารย์ตกเท้ามันก็ไม่ถอนหมวกมันก็ไม่ถอนมันเดินจบๆๆๆก็ไปแล้วกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งรองเทา้าทั้งหมวกมนเลยๆๆพระเต็มวัดเลยผู้มาปฏิบัติธํามเต็มวัดเต็มวัดหมดเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งอยู่ตรงกลางสลาไอ้นเด็กมันเดินเข้ามาแต่มันยังดีนะพ่อแม่เขาบอกให้กข้มากราบ มันก็มากาบตามพ่อแม่มันอ่ะแต่ลองฟ้ามันก็ไม่ถอดหมวกมันก็ไม่ถอดมันเจอเข้า ม, มาแมากักาบแล้วรองเ้าทั้งหมวกมันเลยแล้วคิดดูสิโอ้โหมันมันใครเสียพ่อแม่เนียเสียเด็กไม่เสียเ่าเด็กมันไม่รู้เรื่องเนี่ยดงนั้นพ่อแมตอออ่ต้องทําให้รู้ก่อนมันทำซะก่อนต้องเข้าใจว่าอะไรอะไรซะก่อนแต่พ่อแม่ยังไม่เข้าใจวัฒนศาสตร์สอนอะไรการที่เราจ ะ, จะเจริญในทางโลกจะต้องทําอย่างไรถึงจะเจริญในทางโลก เราจะเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมเราจะต้องมีปัญญาเข้าใจยังไงทีงจะเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมในเมื่อพ่อแม่ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่อง Hampshire. ว่าจะทำยังไงให้ใใหลูกเราเจริญในสางโลกพ่อแม่ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะพาตัวให้เจริญรุ่งเรืองในทางโลกแล้วก็พาตนให้เจริญรุ่งเรืองในทางธรรมพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจไม่มีปัญญาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ทำให้อยู่ตัวอย่างให้รู้รลูกหลานต่อไปข้างหน้ามันจะเอาอะไรเป็นตัอยา เราได้จะบอกมันว่าเออไปเข้าเรียสมาธิเองไปรุ่นเต่นี่แล้วเราไปรู้เหรอว่าอาจานที่นั้นนะมันสอนให้เด็กมันมีปัญญาหรือมันไม่มีปัญญาถ้าเด็กมันมีปัญญามันกลับมายิ่งกายเป็นวิทยาที่ดีหนักเข้าไปอีกจะนี่แก้ยากนี่เนี่ยความเสียหายในโลกนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกทุกันเราต้องสร้างปัญญาให้แก่ตัวเราก่อนเราจึงไปสร้างปัญญาให้แก่ลูกหลานให้แก่โลกไดต้องช่วยกันนะ ช่วยกันให้เรามีปัญญามีปัญญาที่เข้าใจที่ถูกต้องเซะก่อนแล้นเราก็จะสามารถช่วยเลกได้ปัญญาเข้าใจที่ถูกต้องคือจะต้องทําอะไรจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องมีตัวเราตัวได้ตัวเราไปเอาพอจะคิดจะทําอะไรแล้วจะต้องไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียถ้ามีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียมันกิเลสใช่ไหมเนี่ยนเนพบมันจะมีความทุกข์กันทีคือไม่ได้อย่างใจ ทำหน้าที่สามีทําหน้าที่ภรรยาทําหน้าที่พ่อแม่ทําหน้าที่ลูกต่อพ่อแม่ทําหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกทําหน้าที่สามีภรรยาชั้นจัดอาการทําหน้าที่เจ้านายต่อลูกน้องลูกน้องต่อเจ้านายทำหน้าที่ทุกอย่างในโลกนี้เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ฝังธรรมปฏิบัติธรรมก็จริงมันเมื่อทําหน้าที่โดยสมบูรณ์และถูกต้องแล้วมีแต่หน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องไม่ได้มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียเลยจะไม่เกี่ยว เราจะมีความสุขในทุกที่ในทุกอย่างที่เราทําและจะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อตันและโลกมากเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่มีส่วนได้เสียทุกอย่างในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดในการประกอบอาชีพในการประกอบหน้าที่ต่างๆเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยเพราะมันมีแต่หน้าที่ดีสมบูรณ์และถูกต้องหน้าที่คือสมบูรณ์และถูกต้องมันเนี่นั่นแหละคือธรรมจงทําหน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้อง โดยไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียไม่มีส่วนได้เสียเพื่อตัวเราไม่มีส่วนได้เสียเพื่อพวกพ้องของเราเพื่อคนที่เรารักอต่อไปมีแต่หน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องเราจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์และถูกต้องจริงๆเมื่อไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียถ้าเมื่อไหร่เรามีส่วนตัวเราก็ไปมีส่วนได้เสียเราจะไม่มีทางทาหน้าที่ได้สมบูรณ์และถูกต้องเลยไม่ว่าเราจะมีสติสมาธิปัญญามันจะเป็นสติสมาธิปัญญาเพื่อตัวเราเพื่อตัวภูเพื่อพวกพ้องของภู มันจะเป็นมิจฉาทิฐิหมดเลยไม่เป็นสมัมมาทิฐิครับ โยววิวันตุัโรโกวินาสตุมาเตภวัันตระโยอสุีติกาุโบวาอามิวานสีสะอนิจจหุาปจายนนท์จาโรธมวัตันเดอายุวันโนสุขังารัง พธสยาเดชะสหูคโรคาปยาเวราสุขสสุตุปตะวอานิกาอันตลายาปวินาสันตุสิสะชายาสิทีินะลาภังโสทิปะกยังตุขังภะรังเรายุจวันโลจอภคังวุธิจะยะสวะ สาวาวาสาธายุจายิวสิทธิพวันตุเตอาวาตุสาปมังคาลัลาคันตุสาปเิวตาตาบาปุสาลุปาวนาสตาโตธิพวันตุเตอาวาุสาปมังคาลางลาคันตุสปฏิวตา สัพาตัมมานุภาเวนาสะทาโสทีปวันตุเตภาวะทุขาปมังคะลังลาขันตุสาปฏทวัตาสัพพะัมานุภาเวนะสะทาโสทีาวันตเ